โมตัสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานนโมตัสะปะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาโนบุพังขมาธรรมามาโนเศรษามาโนมยามานสาจาเจปัทุเทนะพาสติวากโรติวตะต ạ โตนางทุกขมะเวณติจากกังวะวะหะโตประทันติอีณบัดนี้อาตรมภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องจักขุปาระเถระกถา เพื่อเป็นเครื่องพลานาซึ่งศาสนคคำสั่งสอนขององค์ชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประารพบในมงคลสมัยวันธรรมััิสวรนณะซึ่งตรงกับวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2561 ที่บรรดาบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนบารบความสำคัญในวันดังกล่าวซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราชาวพุทธได้พึงปฏิบัติเป็นนิจตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระวันศี น, นั้นเป็นวันที่เราเหล่าชาวพุทธได้มีโอกาส ทำบุญรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาโยมได้มีโอกาสทำบุญโยมมีโอกาสได้รักษาศีลและบัตดนิยมก็มีโอกาสได้เจริญจิตตภาวนานั่นก็คือฟังพระธรรมเทศนาด้วยน้อมจิตน้อมใจหาแก่นสาระแห่งพระธรรม โบราณท่านว่าข้าช้างก็ต้องการงาข้าปลาก็ต้องการเนื้อข้าเสือก็ต้องการหนังแต่ถ้าฟังเทศฟังธรรมก็ต้องได้สาระถัดอัตธรรมเราจะชื่อได้ว่าเป็นผู้มีบุญกุศลซึ่งวันนี้ฐานะบดีอันมีคุณโยมขจรจิตศรีสิริทรัพย์ เป็นต้นเป็นประธานในการนำพาพวกเราท่านทั้งหลายเข้าสู่การฟังธรรมท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราอยู่ตรงนี้เราก็ได้ชื่อว่าเป็นคนมีบุญแล้วเพราะได้มีโอกาสเข้าวัดพัฒนาจิตใจเลือกทำในสิ่งที่ดี ปฏิบัติตนในถูกต้องแต่ครั้นจะถามว่าคนที่มีบุญเป็นคนอย่างไรโยมนั่งตรงนี้ก็มีบุญแล้วคนทั่วทั่วไปก็มีบุญแล้วแต่จะได้ชื่อว่ามีบุญจริงและมีบุญมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่การฝึกจิตใจคนที่มีบุญมาก ก็คือคนที่ทำทานมากแต่อาจจะไม่ใช่มีบุญมากก็ได้คนที่มีสินมากก็อาจไม่ใช่เป็นคนที่มีบุญมากก็ได้และคนที่ทำสมาธิมากอาจจะไม่ใช่เป็นคนมีบุญมากเช่นเดียวกันแล้วคนแบบไหนล่ะที่ชื่อว่าเป็นคนมีบุญมาก เพราะคนที่มีบุญมากนั้นถ้าคุณบอกว่าถ้าเราบอกว่าเป็นคนให้ทานแต่อาจจะทำทานมากก็เป็นเพียงแค่คนรู้จักเสียสละมากเท่านั้นแต่ถ้าในชีวิตประจำวันยังเป็นคนขี้งดหงิดยังเป็นคนขี้บน่นรู้สึกมีแต่เรื่องที่ในไม่น่าพอใจ มีแต่เรื่องรบกวนจิตใจมีแต่ความทุกข์ทางใจและจะถือและจะถือว่าเป็นคนมีบุญมากได้อย่างไรคนที่คิดว่ามีสินมากแล้วก็ทำหรือเป็นคนที่มีสมาธิมากแล้วก็ไม่แตกต่างไปกับกรณีดังกล่าวแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสได้มีวาสนา ได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ใช้ในภายภาคหน้าแต่ในโรคปัจจุบันนี้ย่อมยังถือว่าท่านยังมีบุญไม่มากโยมยังมีบุญไม่มากแล้วเราจะดูได้อย่างไรว่าคนที่มีบุญมากคนที่มีบารมีมากคนที่มีบุญมากนั้นคือคนที่มีความสบายใจ อยู่ที่ไหนก็ได้มีความสุขใจทั้งนั้นอยู่ในที่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์อยู่ที่ราบากก็ไม่ราบากอยู่อยู่กับงานที่วุ่นก็ไม่วุ่นอยู่กับสังคมที่เข้มงวดก็มีความสุขเพราะมีจิตใจที่ปลอดโปรง่งโล่งสบายนี่คือลักษณะของคนที่มีความสุขเพียงแค่หยุดให้เป็น พอใจให้ได้หรือวางลงปรงตกก็ไปชื่อว่าเป็นคนมีบุญมากแล้วเหมือนคนที่สามารถใช้จ่ายอาหารแพงๆในร้านดีๆได้แต่ยังปล่อยให้ตัวเองหนุดหิดกับการบริการบริกรของพนักงานร้านค้าก็เรียกว่าไม่มีความสุขทางใจอาจจะเรียกได้ว่าตนเป็นคนมีสตางค์มากร่ารวยมากแต่หาความสุขแท้จริงไม่ได้ ดังนั้นคนที่มีบุญมากจริงๆนั้นมักจะอยู่ง่ายกินง่ายปรับตัวง่ายไม่ค่อยถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์อะไรที่มันเป็นทุกข์ก็เพียงรู้ว่าเป็นทุกข์แต่ไม่นำทุกข์มาแบกไม่เคยถือตัวถือตนเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติ ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรมีเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไปในที่สุดมีความรู้สึกปล่อยวางมากกว่าการแบกทับถมตัวเองจึงเป็นพาให้เป็นภาระหน้าที่ตลอดไม่จําเป็นต้องมีอะไรที่เพียบพร้อมหรือดีพร้อมไปทุกอย่างหรือว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองสูงตัวเองต่ํา มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงแค่หัวโขนหรือว่าใครเลวกว่าใครใครฉลาดกว่าใครใครโง่กว่าใครเพราะเขาให้เกียรติแก่คนทุกคนคนที่มีบุญนั้นคือให้เกียรติแก่คนทุกคนรวมทั้งตนเองยินดีรับฟังคําแนะนําจากคนอื่นโดยไม่หลงเป็นเหยื่อคําสรรเสริญและนินทา เมื่อใดได้ยินอะไรก็สบายอกสบายใจเข้าอกเข้าใจเป็นความจริงของชีวิตสรุปง่ายๆว่าโยมเอาเครื่องวัดตัวเองว่าเราเป็นคนมีบุญดังที่ว่าหรือไม่คือไม่กลัวไม่บน่นไม่ทําความชั่วไม่คิดมากรอได้คอยได้อดได้ทนได้ สงบได้เย็นได้ปล่อยได้วางได้รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้จึงได้ชื่อว่าเป็นคนมีบุญคนที่เข้าใจหลักพระศาสนาอย่างนี้คนคนนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดาตรงนี้แหละโยมมาย้อนนึกถึงตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนมีบุญ เราจะอยู่ในสถานะไหนภาวะใดก็ตามรู้จักปล่อยวางรู้จักทำใจและให้เป็นไปตามกฎของสัจจะคือความจริงของชีวิตเราก็จะพบความสุขแท้จริงดังเรื่องที่อัตมภาพได้อัญเชิญเป็นนิเคปบทอันเป็นเรื่องราวของพระจักขุบาลเถระ ที่ท่านทนอยู่กับสภาวะและก็ยอมรับชะตากรรมแม้แต่ว่าความทุกนั้นจะเข้าตาเข้าใจจะเข้าถึงตัวท่านแต่ความทุกภายนอกไม่สามารถมาเบียดบังความสุขภายในออกไปได้ท่านผู้นั้นก็มีนามว่าพระจักคุบานเถระพระจักคุบานเถระนี้ ท่านเป็นลูกขหบดีที่อันมั่งมีแต่ว่าคราวครั้งหนึ่งคราวครั้งหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดความเริ่มใสพูดถึงเรื่องทานพูดถึงเรื่องศีลพูดถึงเรื่องภาวนาพูดถึงเรื่องบุญดังกล่าวที่ว่ามาก็เกิดความเริ่มใส คิดว่าชีวิตนี้เราจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้เป็นโสตที่ผลในปัจจุบันชาติก็เลยตกลรงปงใจว่าจะอุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาครั้นฟังพระธรรมเทศนาจบก็ไปกราบพระพุทธเจ้าได้ทูลขอการอุปสมบทพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามว่าเธอมีญาติพี่น้องพ่อแม่ที่จะต้องอำลาไหม พระจักกุบาล น, นั้นท่านก็บอกว่ามีมีน้องชายหนึ่งคนชื่อจุลลบาลส่วนพระจักกุบาเลเถระนี้เดิมจริงๆท่านชื่อมหาบาลมหาบาล น, นี้เป็นนามเดิมท่านแต่จักกุบาล น, นี้เป็นนามที่คนให้ลักษณะของท่านแต่ทําไมได้ชื่อว่าจักกุบาลโยมก็ตั้งใจฟังต่อไปเพื่อเข้าใจต่อเรื่องของท่าน ก็ขอเอ่ยนามถวายนามท่านว่าพระจักกุบาลพระจุกจักกุบาลก็ไปบอกลาน้องชายท่านว่าน้องพี่พี่นี้จะบวชในพระพุทธศาสนาแล้วทรัพสมบัติที่พ่อแม่มอบให้ขอให้เจ้าจงปกครองดูแลเถิดน้องจักน้องของพระจักกุบาลก็บอกว่าพี่ชาจะรีบบวชทำไมยังอยู่เป็นวัยที่ทำงาน สร้างรากสร้างฐานกำลังมีกำมีกาลังวังชาที่ทำงานอยู่รอให้แก่อีกหน่อยหนึ่งบวชเป็นหลวงตาดีไหมพี่ชายก็บอกว่าขันแก่ไปแล้วบวชก็คงไม่ได้อะไรจะปฏิบัติธรรมก็ไม่สะดวกทำวัดสดมน์เจริญจิตตะภาวนาศึกษาพระปริยัติก็ไม่สะดวกเพราะมันแก่แล้ว ดังนั้นขอบวชจะตอนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มนี่แหละก็คิดว่าอายุน่าจะประมาณ2 0สบเศษถึงสสท่านก็บวชในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาณสำนักของพระพุทธเจ้าทูล ถ, ถามพระพุทธองค์ว่าทุระในพระพุทธศาสนามีประกกี่ประการพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าทุระในพระพุทธศาสนามีสองประการ หก็คือคันถะทุระสองวิปัสนาทุระและทุระทั้งสองที่ว่าคันถะทุระคืออะไรพระเจ้าค่ะวิปัสนาทุระคืออะไรและพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบพระจักกุบาลว่าจักกุบาลคันถะทุระก็คือการศึกษาเอาพระธรรมวินยัย นิกายต่างๆหมวดต่างๆพอจดจำได้แล้วก็นำไปสั่งไปสอนเป็นทิฏฐานุคติสืบต่อไปนี่เรียกว่าคันถธทุระส่วนวิปัสนาทุระหลังจากบวชได้ศึกษาทราบซึ้งในพระธรรมวินัยแล้วก็มุ่งเข้าสู่ปฏิบัติยกตนให้สู่เป็นพระอริยะนั่นคือวิปัสนาทุระ พระจักุบานทราบอย่างนี้แล้วก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นพุพะผู้บวชตอนอายุปูนคนแล้วขันจะเรียนทุระไปทั้งหมดก็เห็นจะไม่สำเร็จมรรคผลเป็นแน่แท้ข้าพเจ้าขอตั้งใจมุ่งไปสู่วิปัสนาทุระท่านก็เลยลาพระพุทธเจ้าไปปักสำนักอยนะกกลางป่าแห่งหนึ่งนะ โดงแดนแห่งหนึ่งมีพระที่อยู่ติดตามกับท่านนี่ประมาณห0สกว่ารูปอยู่ปฏิบัติธรรมสมณธรรมเรียกว่าพากันเจริญจิตตะภาวนายกตนเข้าสู่วิปัสนาธุระจนกระทั่งวันหนึ่งเทศกาลเข้าพรรษาโยมคือสมเดือนนีเหมือนพระปัจจุบันนี้วันนี้วันที่ส7บเจ็ดตุลาคมนี้ หรือนับจากหน้านี้ไปอีกเจวันก็เป็นวันออกพรรษาแล้วและวันที่ภาาปีนี้วันที่25วันที่24ตุลาเป็นวันออกพรรษาวันที่25ก็เป็นวันตักบาตรเทโวโยมก็มาร่วมทำบุญตักบาตรกันตอนเช้าได้ในวันที่25ที่จะถึงนี้และว่าวัดปิยวงศารวจเป็นสถานที่จัดอบรมนักเทศ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะโยมหลังจากออกพรรษาได้หนึ่งอาทิตย์ก็จะจัดเทศมหาชาติสาธิตโดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมวัทีเป็นองค์ธรรมกระถึกและก็คณะจะได้ประคับประคองในการเทศมหาชาติสาธิตแล้วหลังจากนั้นเวลา17บเนาฬิกาโดยประมาณก็จะมีพิธีมอบประกาศิบัดแก่พระผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาการเทศนา นี่เรียกว่าเข้าพรรษาโยมจะออกแล้ววัยแล้วเกิดดังนั้นเขาบอกเวลาเข้าพรรษาจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทําคุณงามความดีตลอดไตรามาสนี้เราก็ถือเอาช่วงเข้าพรรษานี่แหละเป็นช่วงที่คนเข้าวัดฟังธรรมอยู่เสมออธิษฐานจิตพระจักคุบาลท่านก็อธิษฐานจิตโยมวันในเข้าพรรษานี้ข้าพเจ้าจะอธิษฐานจิตว่าจะอยู่ในอิเริยาบทสามอย่าง เดินนั่งแต่ไม่นอนนั่นก็หมายความว่าอิรยาบทนอนนี้ข้าพเจ้าจะไม่นอนมีแต่เดินนั่งแต่จะไม่นอนแล้วการกระทาของท่านการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเข่งครัดปฏิบัตินั้นจนระยะเวลาหนึ่งไปยมหนึ่งเดือนผ่านไป ดวงตาที่ไม่ได้นอนนี่ไม่ได้หลับนี่เพราะท่านไม่ยอมเอาหลังพิงกับพื้นเลยขันจะ ง, ง่วงก็นั่งสมาธิขันจะ ง, ง่วงก็เดินเอาจนตาท่านปวดน้ําตาไหลขี้หูน้ําตาไหลเลยพระพิสุเห็นพระจักกุบาลเป็นเช่นนั้นเห็นอาจารย์เป็นเช่นนั้นก็เลยเรียนกับอาจารย์ว่าอาจารย์หมู่บ้านเรานี่มีหมอวิเศษ เขาปรวรณาว่าจะรักษาได้ทุกโรคอาจารย์บัตรน้ตาเจ็บเราน่าจะไปบอกหมอนะให้มาเยียวยารักษาเพราะเขาปรวรณาไว้เหมือนกับวันนี้สาธารณาสุขศูนย์26วัดประยุรวงก็มาถวายการรักษาแก่พระเนนในวัดตลอดถึงญาติโยมที่มาร่วมฟังธรรมก็ไปตรวจได้พอหมอมารักษาโยม หมอท่านหมอนี้เป็นหมอวิเศษยาดีมากบอกว่าถ้าใช้เพียงแค่หยดเดียวเนี่ยตาที่เจ็บจะหายเลยแต่มีข้อแม่นะพระคุณเจ้ายาที่พระคุณเจ้าหยอดเนี่ยมันต้องนอนหยอดท่านนั่งแล้วอ่ะมันอยู่ตาไม่นานมันเข้าจมูกไม่ได้พระคุณเจ้าต้องนอนหยอดแล้วตามันจะหายสนิทพระจักุบานท่านก็ได้ยามาแล้วท่านก็ไม่นอนนะ ท่านก็ได้ยาท่านก็ไปนั่งเข้าห้องตอนกลางคืนดึกสงัดก็มานั่งควันคิดว่าเอ้ยาเนี่หมอบอกว่าต้องนอนหยอดแต่ว่าเราได้ตั้งสัจจะที่ฐานว่าสามเดือนนี้เราจะไม่นอนจะไม่เอาหลังติดพื้นแต่เสียงหมอก็แว่ว่าว่าถ้าไม่นอนหยอดไม่หายนะพระจะทำอย่างไรดีจะทาอย่างไรดี ท่านก็เลยตกรงปงใจเมื่อปรึกษาแล้วว่าหลักของพระพุทธเจ้าความเป็นสัจจะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นอย่าทิ้งอุดมนั้นอย่าทิ้งอุดมคติของตนขอให้มั่นคงในสัจจะปฏิญาณก็เลยไม่นอนยอดยท่านก็นั่งยอดพอนั่งยอดยามันก็ไม่เข้าตามันก็ไม่เข้าจมกูกท่านพ่อหมอได้บอกว่า ต้องหยอดทางจโมกนะยานี้มันถึงจะหายรุ่งเช้าขึ้นท่านไปรับบินทบาทอีกวนปรากฏหมอก็ถามพระคุณเจ้ายานั้นดีไหมตาดีขึ้นหรือยังพระเถระก็บอกว่าหมอจเจริญพรอัตมายังมีอาการเหมือนเดิมยังเจ็บแสบปวดร้อนที่ดวงตาอยู่ แล้วพระคุณเจ้าไม่ได้ทำดังที่ผมบอกใช่ไหมวิธีการรักษาพระจักขุบาลท่านก็นิ่งท่านก็ไม่พูดต่อท่านก็กลับอารามกับวัดของท่านหมอก็เลยสงสัยเลยไปดูอยู่โอ้มีแต่ที่เดินจงกรมแมมีแต่ที่นั่งสมาธิแต่พูกหมอนนอนนี่ไม่มีก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าไม่ได้นอนเลยใช่ไหม ท่านก็เลยบอกใช่โยมหมออัตมาไม่ได้นอนเลยเพราะตั้งสัจจะอธิฐานไว้ไตรามาสนี้จะไม่นอนจะไม่เอาหลังแตะพื้นเอาแล้วถ้า ง, งั้นยาที่พระคุณเจ้าใส่นี่ผมบอกว่าให้นอนไงมันถึงจะหายหมะพระจักคุบาลก็นิ่งก็เลยบอกโยมเดี๋ยวคืนนี้อัตมาจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งปรึกษากับตัวเองก่อนตกลงปงใจอีกครั้งหนึ่ง ท่านก็เข้าห้องโยมตัดสินใจปรึกษาตัวเองแล้วว่าจักคุบาลปาริตะเอย๋ยดวงตาท่านเนี่ยมันจะคร่ำคร่ามันจะแตกแล้วแต่ถ้ารักษาดวงตาท่านก็ไม่ได้รักษาพระธรรมถ้าเรายอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจ ดวงตาบัญหาง่ายกว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเพราะนานครั้งที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมกับดวงตานั้นมีนับไม่ถ้วนจะ ก, กุบาลจะทําอย่างไรจะทําให้เธอนี้มีแสงสว่างกว่าสแสงตาของเธอเธอจงมองแสงสว่างในความเมื่อยจี แล้วเธอจะเห็นแสงสว่างในความจริงดังนั้นพระจักกุบานท่านเลยตัดสินใจไม่นอนโดยถือหลักว่าจงเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะจงเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่จงเสียสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะและพระธรรมดวงตาของพระจักกุบานโยม ก็เลยแตกในค่ําคืนนั้นที่ท่านไม่ได้เยียวยารักษาทําให้เส้นทางของการบรรลุธรรมได้เกิดวันที่ดวงตาท่านดับเรียกว่าเส้นทางแห่งการบรรลุธรรมของท่านจะทําให้เห็นว่าวิกฤตของความเป็นร่างกายยมไม่ได้เป็นสลักหรือว่าเป็นหลักสําคัญแต่อุปสรรคใดๆด้วยจิตใจที่เน็ดเดียว แม้ดวงตาจะมืดมิดลงท่านก็สามารถใช้พิจิจรณาเรียนรู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้มองเห็นแสงสว่างในความมืดในที่สุดนี่คือพระจักกุบานเพราะท่านเป็นคนที่ลักสัจจะแต่ที่นี้ย้อนไปว่าทำไมเรื่องราวพระจักกุบาลจึงมีเรื่องที่ควรกล่าวขานในวันนี้ หนึ่งนอกจากเป็นคนรักสัจจะเป็นคนรักษาศีลแล้วแต่เรื่องราวของท่านนั้นมียาวอีกเมื่อท่านตาบอดเพราะการปฏิบัติธรรมท่านแต่ท่านบรรลุธรรมเป็นสุ ข, ขวิปัสสนาคือพระอาหารหันต์ที่บอกว่าพระอาหารหันต์แห่งนี่แหละบรรลุธรรมพระพิสุท์ทั้งหลายก็สงสารช่วยกันดูแลปลอบจิตปลอบใจท่าน ท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องทุกข์ร้อนทอนใจหรอกตาเราแตกตาเราดับเรายังไม่ทุกข์เลยแต่ตาภายในเรากับส่องแสงสว่างที่จะนำพาท่านปฏิบัติธรรมพระวิสุก็ช่วยกันบินทบาทในตลอดพรรษานั้นช่วยนำอาหารมาดูแลอุปถากท่านท่านก็มีหน้าที่เทศมีหน้าที่สอนจนพระในกลุ่มนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลาดับ จนกระทั่งถึงออกพรรษาญาติพี่น้องก็ถามไทยถึงท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรพอรู้ว่าพระจักกุบาลตาบอดยมก็เป็นห่วงนะจุลบานน้องชายนี้ก็เป็นห่วงก็เลยให้พี่ชายนี้กลับวัดกลับบ้านที่เชตวันพอกลับไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีเชตวันท่านตาบอดไปไหนก็ลำบาก เดินทางก็ลำบากแต่ว่าวันหนึ่งโยมขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมค่ำคืนหนึ่งนั้นวันนั้นฝนตกหนักตอนหัวค่ำเลยปฏิบัติธรรมก็ไม่สะดวกเดินจงกรมก็ไม่ได้ท่านเคยชะลรอจนกระทั่งฝนมันหยุดตกพอฝนหยุดตกโยมพวกแมลงเม่าหรือว่าแมลงข่อมทองนี่อินทโคปรปากามันก็บินขึ้นมา นะตามแสงลายตามแสงจันท์แต่พระจักกุบาลท่านปาราบความเพียรท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ตั้งใจว่าคืนนี้อากาศดีนักเย็นสบายฝนฟ้าเพิ่งลงไปดินสะอาดท่านก็เลยเดินจงกรมโยมพอขณะที่ท่านเดินจงกรมนี่บรรดาสัรพสัตว์ทั้งหลายนี่แมลงเม่าทั้งหลายก็บินมาท่านโยมท่านก็มองไม่เห็นเพราะตาท่านบอดท่านก็เหยียบแมงเม่าตายเลย เรียก ว, ว่าตายกันเป็นเกลื่อนเลยนะตายเยอะแล้วลุ่งชาเออกว่าท่านจะเข้าวัดก็เรียกว่าลุ่งสางฟ้าสว่างและลูกศิษย์ที่ตื่นมานี่มัวแต่นอนหลับไม่ได้ดูอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเก็บกวดขยะไม่ได้เก็บไอเศษแมลงเม้าที่ท่านมันตายเพราะท่านเหยียบก็มีพระกลุ่มหนึ่งมาเห็นเข้าพระกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาตาร้อน เป็นพวกมองมองแต่ความผิดของคนอื่นความดีคนอื่นไม่มองก็เลยถามว่าใครมาเหยียบเมงเมาตายใครมาฆ่าเมงเมาตายดูสิไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทำไมฆ่าสัตว์ตายขนาดนี้เราลูกศิษย์ก็บอกว่าอ๋ออาจารย์เราเองเมื่อคืนนี้ท่านปรารบความเพียรท่านทำคุณงามความดีจเจริญจงกลมทั้งคืนเลย เอาไหนบอกว่าพระจักกุบาลอาจารย์ท่านเป็นพระเถระเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอาริยะแต่ทําไมมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนมเรื่องราวก็เลยกายเรื่องราวไม่เป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นฟ้องไปถึงพระพุทธเจ้านะฟ้องไปถึงพระพุทธเจ้าเมื่อฟ้องถึงพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสเรียกพระพิสุทธ์ทั้งหมดรวมพระจักกุบาลมาด้วยถามว่าจักกุบาลเมื่อคืนนี้เธอเดิน จงกลมตรงนี้ใช่ไหมพระพุทธองค์ก็ตรัสถามอย่างนั้นพระจักุบานก็ตอบว่าใช่แล้วขอรับเมื่อคืนเก้าได้ปรารบความเพียรเดินจงกลมเส้นทางนี้พวกพิสุที่ฟ้องก็ดีใจเห็นไหมบอกแล้วพระพุทธองค์ไม่เชื่อนี่นพระพุทธเจ้าก็ถามแล้วเธอรู้ตัวไหมว่าเธอเหยียบแมงเมาตาย เธอเห็นไหมว่าแมงเมาสมันบินมาไตาตามกองดินที่เธอบินที่เธอเดินเนี่ยพระจักกุบานก็บอกว่าไม่เห็นพระเจ้าค่ารู้แต่ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอรู้แต่ว่ามีความสุขกับการเดินรู้สึกแต่ว่าจิตดื่มดำกับการเดินจงกรมเหลือเกินพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพิสุผู้ฟ้องว่าพิสุทั้งหลาย ใครเห็นพระจักกุบานเหยียบเมงเมาตายบ้างพลนปรากฏพระเหล่านั้นเงียบหมดต่อไม่ได้นิ่งกันหมดเลยไม่เห็นว่าพระจักกุบานเหยียบแมงเมาพระพุทธเจ้าก็เลยตัดต่อไปว่าพิสษุ์ทั้งหลายการที่เธอไม่เห็นพระจักกุบานเหยียบเมงเมาฉันใด พระจักกุบาลก็ไม่เห็นแมงเมาที่บินเข้าสู่ฝ่าเท้าตนเองฉะนั้นดังนั้นกรรมย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพเพราะท่านไม่มีเจตนากรรมพระพุทธองค์ก็ถือโอกาสตรงนี้แหละเทศสั่งสอนปรับทัศนคติแก่พระพิสุเหล่านั้นแล้วพระพิสุเหล่านั้นก็ถามว่าอ้าวแล้วพระจักกุบาลเป็นพระอรหันต์ใหญ่ใจตาบอดและพระเจ้าข่า พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเพราะอดีตชาติเธอได้สั่งสมประกอบกรรมไว้ดังบทอุเทศเทศนาที่เป็นพุทธภาษิต ท, ที่อัตมภาพยกเป็นนิเขป บ, บทเบื้องต้นนั้นว่ามโนบุกผังคมาธรร ม, มามโนเชิถามโนมยามนัสสาเป็นต้นแปลใจความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจ มีใจประเสริฐสุดความสำเร็จทุกอย่างมาจากใจถ้าใจไม่ดีมีโทษประทุษสลายการพูดก็ดีการกระทำก็ดีความไม่ดีนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกติดตามเหมือนดังล้อเกวียนหมุนตามรอยโครพระจักกุบานท่านทุกข์ก็เพราะกรรมเก่าตามมาถึง พระพุทธองค์ก็เลยสาธกยกนิทานอดีตชาติพระจักกุบาลให้ฟังว่าพระจักกุบาลอดีตชาติเป็นหมอดีมือหนึ่งเหมือนกันในด้านการรักษาตาวันหนึ่งผ่านไปในหมู่บ้านก็เจอหญิงตาบอดก็ถามว่าแม่นางตาแม่นางบอดนานหรือยังอุยบอดนานและเจ้าข้ามองไม่เห็นทนทุกข์ทรมานเหลือเกิน ถ้าขันตายได้วันนี้ลุ่งขึ้นก็จะตายและดีกว่าตาบอดหมอก็เลยบอกเอาอย่างนี้ไหมเราเราจะรักษาให้ท่านแต่ว่าการรักษาเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยมีค่าแรกประกันกันหน่อยหนึ่งยาเหล่านี้เรารับประกันได้นะหมอบอกหายแน่หมอขายยาหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นหมอวิเศษกันนะอดีตชาติพระจักรบาลเนี่ยเป็นหมอวิเศษหมอรักษาโรคตาอยู่ หญิงคนนะั้นโอ้ยถ้าท่านหมอพูดอย่างนี้ดีแล้วเกินเนี่ยถ้าตาฉันหายนะรุ่งเช้าขึ้นนี่ฉันจะยอมเป็นทาสีทาสายท่านแล้วมีลูกสาวอีคนก็จะยกให้เป็นทาสของท่านเลยว่า ง, งั้นหมอก็อจําไว้นะท่านพูดอะไรไว้งั้นเอายาดีหมอก็คิดดังนั้นต้องเอายาดีที่สุดเลยคืนนี้ตายายนี้จะต้องหายแล้วเราก็ได้สงเคราะห์เขาดีใจหมอก็เลยปรุงยาอย่างดีให้โยมให้ไปยอด ยายคนนี้ก็ไปหยอดตานะคืนนั้นหยอดแค่หยดเดียวยมตาที่มันบอดมานานนี่กลับมองเห็นแสงสว่างเหมือนเปิดโลกชีวิตใหม่ให้แก่คุณยายคนนี้ดีใจกอดลูกโอ้ยลูกตาแม่หายแล้วหมอนี่วิเศษจริงๆหมอนี่วิเศษจริงจทั้งแม่ทั้งลูกมีความสุขยมตาหายแล้วตาหายบอดแต่สักพักหนึ่งแม่ก็ตีหน้าเศร้าเลยนึกถึงคาพูด ว่าถ้าตาหายดีและจะยอมเป็นทาตของหมอและจะยกลูกสาวให้อีกต่างหากตายแล้วลูกเอ้ยเมื่อวานแม่พลังปากแทนที่จะบอกว่าถ้าได้หายและจะเข้าให้สักกะสอบก็ไม่ว่าแต่นี่ดันไปบอกว่าตัวเราทั้งสองจะต้องเป็นทาตทาสีทาสาพ่อหมอนั่นอีกเอายังไงดีล่ะลูกเอ้ยก็วางแผนกันสองคนนี้วางแผนก็บอกเอางี่แม่ ทำหมอมาพรุ่งนี้เช้าแม่ก็ทำตาเจ็บกว่าเดิมนะอย่าให้บอกว่าตาดีให้ปวดกว่าเดิมไม่บอดกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเลยนะบอกว่ายาหมอไม่ดีหมอโกหกหมอยังนี้นี่ต้องแจ้งตารวจจับแล้วบอกว่าอย่างนั้นลุ่งเช้าขึ้นหมอเขามาอยู่มาหาคุณยายคนนี้ถามว่ายายตาเป็นไงบ้างเราลูกสาวก็ร้องไห้อยู่ด้านข้างร้องไห้หนักนะเรียกว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้หมอเลยงานนี้ ร้องไหย้ยายก็ร้องไห้หมอก็ตกใจนี่เอ๊ะทำไมร้องไห้ถามเป็นอะไรยายตาหายดีเหลือจริจึงดีใจจนร้องไหย้ยายบอกดีนี่ไหนเราท่านตั้งแต่ได้ยามเมื่อคือนนี้ตอนนี้มันมืดหนักกว่าเดิมเลยไม่เห็นไม่กระทังหนังตาตัวเองไม่เห็นแสงเลือนรางเลยท่านเอายาอะไรให้ฉันมาใส่นี่โอ้ยพอหมอใจร้ายใจดา นะฉันจะฟองพ่อบ้านจะแจ้งตำรวจจับท่านว่างั้นหมอหมอเลยตกใจเอ๊ยายคนนี้ไม่ซื่อสัตว์แน่ไม่ซื่อสัตว์แนะนะ่ก็เลยเมื่อไม่ซื่อสัตว์ต่อเราใช่ไหมเราก็จะทําให้ดูว่างั้นคิดในใจก็เลยบอกเอาอย่างงี้ท่านอย่าบอกไปนะก็เอาเงินเอาทองที่หามาได้เนี่ยให้ยายคนนั้นแหละแล้วก็บอกว่าเอาเรามียาอีกขนาดนึงเพื่อมันหายนะ แล้วเราก็าจะไปแล้วท่านเอายาขวดนี้แหละยอดใหม่รักษาใหม่เพื่อหายแก่หมอก็จ้ำอ้าวหนีเลยรู้ว่ายายคนนี้หลอกแต่อยากจะแก้เผ็ดตรงนี้หละโยมวางกรรมตรงนี้มีใจกระทําตรงนี้แหละนะเลยกลายเป็นเหมือนว่ากรรมที่หมุนตามรอยเท้าเออล้อหมุนตามร้อยโค ร, รอยโคเนี่มาตรงนี้เลยนางยายคนนั้นพอได้ยาหมอแถมไม่พอได้เงินค่า ปิดปากอีกดีใจยมบอกลูกหมอคนนี้โง่จริงๆเราหลอกก็เชื่อตาแม่หายดีแล้วนะแถมยังไม่พอให้ยามาอีกแถมไม่พอให้ตางค่าปิดปากเราอีกหมอนี่โง่ลูกเมื่อคืนแม่หยอดหยดเดียวยังหายสนิทเลยสว่างสวัยขึ้นถ้าหยอดวันนี้น่าจะขั้นถึงตาทิพย์สามารถบอกใบ้หวยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยเอาอยาหยอดอีกหยดหนึ่งยม หยอดดวงตาที่บอดข้างละหยดนะพอหยอดเท่านั้นเองงานนี้โยมตาปิดสนิทจริงๆเพราะว่าหมอรู้แล้ ว, วายายคนนี้หลอกเอายาดีให้บอกว่าเอายาร้ายให้ดังนั้นเอายาร้ายให้เสลยตาเลยบอดสนิททาให้กรรมตรงนั้นแหละโยมให้พระจักกุบาเลเถระนี่ได้พบชะตากรรมของชีวิตแม้แต่เป็นพระอระหรันต ตาท่านก็ยังบอกบอดอีกเรียกว่ากรรมนั้นมันตามทันแต่เจตนาอย่างกรณีที่ท่านเยียบสัตว์ไม่มีเจตนาก็ถือไม่เป็นบาปแต่กรรมที่เป็นบาปเพราะมีความตั้งใจที่แก้แค้นเพราะถูกหลอกยายคนนี้หลอกเลยเอายาตาบอดให้เขาใส่ตัวยายคนนั้นก็บอด ก, ก็เลยมาถึงยุคของพระจักรบาลญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรื่องราวของพระจักรบาล น, นี้เราจึงมองเห็นว่าอย่าดูหมิ่นเรื่องของกรรมอย่าดูหมิ่นเรื่องของบาปเพราะว่าบาปนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กระทาแต่บาปจะปรากฏแก่ผู้กระทกากรรมก็ปรากฏแก่ผู้กระทาดังคำที่ท่านว่า ยาดูหมิ่นบาปกรรมจานวนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำเปิดหงายกลางสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงดังนั้นกรรมทาไว้มันก็จะส่งผลให้หวันหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรรมดีก็ส่งผลให้ความดีชีวิตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแต่ถ้าทํากรรมชั่ว กรรมก็จะส่งผลไปทางที่ชั่วได้วันหนึ่งไม่ปัจจุบันในชาตินี้ก็ในอนาคตชาติเหมือนดังเรื่องพระจักขุบาลนั่นเองอาตมภาพได้แสดงได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องจักขุปาระเถระกะถาก็คิดว่าเป็นทิฏฐานนุคตินำพาชีวิตให้แก่ญาติโยม ได้คิดถึงเรื่องกรรมได้คิดถึงเรื่องความดีได้คิดถึงบารมีที่ทำก็สมสมัยแก่เวลาจึงขอส ม, มุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้รัตนตยานุพาเวนะขออำนาจพระรัตนตรยัยอันมีคุณแห่งพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์โปรดอภิบาลประธานพร ให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้มีความสมบูรณ์ผลผลในสิ่งพึงปรารถนาจงทุกประการอันหนึ่งคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนี้จงเป็นพรอันยิ่งใหญ่อภิบาลปกปักรักษาให้ทุกคนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญและเจริญในธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจิรัตการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในจักขุปาระเถระกถาก็สมสมัยแก่เวลาจึงขอสมมติจุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการะชนี